ไม่เข้าใจแล้วทำไมไม่ให้เทศ ไ, ไปเทศเข้าใจฟุงจฟ้งเลยนี่ครูบาอาจารย์ดูออกว่าจุดช่วงนี้เทศได้เทศไม่ได้ไ น, น, นเวลาที่ทำกุศลแท้ๆมันพร้อมจะพิกาณากุศลจิตชมพูเป็นไงจิตไม่ตั้งมั่นฟุ้งซ่านมีโมหะกระจายทำไงกำมันดีรู้เฉ ย, ยๆจ้าตับตามสูตรเ <laughs> พระใจไม่ยอมเฉยดูออกไหม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 แต่คมก็ทำบ่อยๆทำทั้งวันแต่อย่าไปว่าเขาค่ะว่าน้อยลงใจยังไม่เป็นกลางนะว่าน้อยลงก็พยายามตามดูนะคะแต่ด uh ูได uh ้ปป uh ๊บๆแล้วก็เง uh ียบลมรวมเยอะค่ะอืมอินกับมันนมือนกางนค่ะแล้วก็บางทีก็คือเหมือนทำแล้วไม่ได้ไม่มั่นใจว่าตัวเองพยายามมองมากเกินไปหรือเปล่าดูเล่นๆ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 โมโหพลิกเลยนะเป็นดีใจเนี่ยราก็รู้ทานใจมันดีใจแล้วคุยไปคุยมาทะเลาะกันโมโหอีกแล้วรู้ว่าโม โ, มโหดูใจที่มันพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมากวารู้สึกเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆฝึกแค่นี้ก็พอลอะนะอะโยมผู้หญิงได้สองคนเมื่อสักครู่นี้ตอนที่หนูมาถึงตอนที่มาถึงใหม่ๆนะคะจิตใจรู้สึกเบิกบานมากนะคะ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 สติไม่เกิดอีกเลยประมาณสองอาทิตย์นี่ยไม่เกิดเลยค่ะมีแต่ฟุ้งฟุ้งก็ซึมฟุ้งก็ะซึมคื่อจะมาอย่าไปกังวลกับอดีตที่มันไม่ยอมเกิดนะเพราะว่าใจเราเศ้าหมองเรามม่แต่ไปคิดว่าเราแพ้มันเราแพ้มันอดีตเนี่ยเวลาเราแพ้ไปแล้วแล้วไปอย่าไปคิดถึงมันเราคิดถึงตอนที่เราชนะบ้างได้คน